เราควรตั้งจิตยินดีในความสำเร็จหรือเจริญรุ่งเรืองให้กับคนอื่นอย่างไรเช่นเวลาเห็นคนโกงบ้านโกงเมืองร่ำรวยหรือนารานหนังโปค่าตัวแพงเรายังต้องยึดหลักมุทิตาในพรหมวิหารสี่อยู่หรือไม่ตอบก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจครับว่าการมีมุทิตาจิตตามหลักพรหมวิหาร4ี่นั้นไม่ใช่ร่วมยินดีตะพึดตะพือ แต่เป็นการร่วมมีใจเป็นกุศลหรือพูดง่ายๆคืออนุโมทนากับความสำเร็จในบุญของผู้อื่นเป็นหลักคำถามนี้ต้องถูกเบี่ยงเบนเสยใหม่อย่างนี้ต่างหากครับคือจะไม่อิจฉาริษยาจนพลอยหลงเห็นดีเห็นงามกับการรวยด้วยวิธีโกงกินหรือแก้ผ้าได้อย่างไรคำตอบสำหรับคำถามนี้ได้แก่ข้อธรรมสุดท้ายของพรหมวิหารสี่คืออุเบกขา การมีอุเบกขาในพรมวิหารธรรมนั้นหาใช่การเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยินย น, ยนสนใจแต่อย่างใดพฤติกรรมทางกายของคุณอาจต่อต้านรูปแบบความชั่วร้ายตามหน้าที่ข้าราชการหรือหน้าที่พลเมืองดีเท่าที่ตัวเองจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่พฤติกรรมทางใจของคุณจะต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยา ไม่พลอยเห็นดีเห็นงามตามเข้าไปอุเบกข า, า, า, าที่ประกอบด้วยความเฉยเฉยไม่รู้ไม่ชี้นั้นเรียกว่าอุเบกขาแบบเออส่วนอุเบกขาที่ประกอบด้วยความรู้เหตุรู้ผลนั้นเรียกว่าอุเบกขาแบบฉลาดพุทธเราสนับสนุนให้คนฉลาดมีปัญญารู้เหตุรู้ผลถ้ายัางไม่เคยพิจารณาก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ เ, เช่น ความรวยของเขาเป็นเพียงภาพลวงตาชั่วคราวเป็นฐานให้เขาหลงผิดคิดมิชอบเปิดโอกาสให้โกงยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่รู้จบรู้สิน้นเพราะวิสัยคนโกงยอมนิยมการโกงไปตลอดชีพน่าสงสารเสียมากกว่าที่เขามีเวลามีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสั่งสมความมืดเข้าตัวถ้าทนเห็นความร่ำรวยแบบผิดผิดชนิดกฎหมายเอื้อมไปทําอะไรไม่ได้ ก็ให้ฝึกพิจารณาข้อดีในความรวยของคนขาดความละอายเยี่ยงเขาอย่างน้อยเขาจะได้เอาไปแบ่งลูกเมียและคนใช้อย่างน้อยเขาจะได้ไม่ต้องถือปืนปล้นแบงค์อย่างน้อยเขาเดินสวนกับคุณที่ไหนจะได้ไม่ต้องวิ่งราวคุณเป็นตน้นสรุปคืออย่ายินดีกับการก่อบาปก่อกรรมของใครในขณะที่มองตามจริงไปด้วยว่า เขามีกินก็เพราะมีเหตุปัจจัยไม่จำเป็นต้องเกลียดเขาเพียงเพราะเขากินแพงกว่าเราเราเอาตัวให้รอดด้วยการมีจิตที่ไม่เกลียดนั่นแหละประเสริฐสุดแล้วครับรบทความจากฟรีแมกซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่16 โดยโจโฉหรืออนุสร์ปรีโซภาเพลงประกอบเพลงพุทธคุณประพันธ์โดยคุณสรันมไมตรีเวศหรือคุณดังตรินขับร้องโดยคุณสวรรสิชาติหรือโอลำดวนเจ้าของเพลงดังเคยรักเธอหรือเปล่าลติดตามงานทั้งหมดของคุณดังตรินได้ที่เว็บไซต์ w w w d a ด g t r i n c o m ังม dungtrn.com